เส้นสุดท้ายบุกข้อก่อนไปข้อทีก้าอ่ะอินท้าบุกข้อทีเก้าก็ข้อท้ายข้อไปนะแต่จะตัดันนี้มาดูที่วอสุขีมาืออขีหน้าวัดห้าสิบเอ็ดอ๋อเนี่ยมีข้อเข้ามาข้อทก้าให้เล่นยากสุดท้ายเลย พิสูรรูปใจโกเครืองไม่พอใจพึงตามโจทย์พิสุดน์ด้วยอาบัติปราชิบโ ด, ดยอาศัยเถียงเล่ห์อันเป็นข้ออ้างบางอย่างของอาิกรที่มีส่วนความจริงเป็นประการอื่นด้วยประสงค์ว่าทำอย่างไรเราถึงจะให้พิสูจนี้เคลื่อนจากคมมกรจันนี้ได้หลังจากที่ได้โจทย์ไปแล้ว จะถูกสอบสอวนหรือไม่ก็ตามอาธิกรณรนั้นส่วนความจริงเป็นประการอื่นด้วยและพิสุจผู้โจทย์ก็อาศัยเพียงเลขอันเป็นข้ออ้างบางอยา่างเช่นใครมีพิสุจที่ใช้จ e ีวรสีขับต้องบาราชิก็อาศัยเลขจีวรเป็นข้ออา้างโจทย์พิสุจอื่นที่ตนไม่ชอบ ซึ่งใช้จีวรสีกับเหมือนกันทั้งยังมีอาศัยโภชาด้วยต้องอาบัสังฆาีิเศษนี่ครับขออธิษฐา อืมครับอันธิบายครับ ข, ข้อนี้เนียคล้ายข้อก่อแต่ว่าต่างกันนิดหนึ่งนะครับโกรธไม่พอใจตามโจทย์เือแบบปาราชิกนะครับเดิมแต่ว่าตรงนี้เนี่ยอาศัยนะครับอาศัยอะไรบางอย่างนะของเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับมันเป็นข้ออ้างแล้วก็โ จ, ย อ, ยนะจอย่างที่เมื่อกี้นเพ่อนอาจารย์ก็อยากให้นะท่านจะพูดถึงแหล่นนะ ความจริงแรกคือข้ อ, อ้างเราที่เขาเอามาอ้างแล้วก็โจทย์ที่สืบลุ่มน ะ, นะ อ, อันนี้คือถ้าเป็นสุดท้ายสุดท้ายวัที่แล้วเนี่ยไม่ได้อ้างอะไรเลยใช่ไหมครับยันนี้ก็โจทย์ไเลยไม่มีมือเลยแต่นี่เอาอาศัยอะไรมางอยากครับขึ้นมาเป็นข้ออ้างสิ่งแรกที่เรียกว่าแรับแรกเนี่ยจะมีสิทธิค์คือข้ออ้างครับอาศัยชาติก็ได้ชื่อวงศตระกูลลักษณะาอาบัต บาจีวสีนสนปปะอุปชาอาศัยนาคับพวกนี้นะเดี๋ยวจะมีนะครับ<อ>นี่แหละอาศัยสากเขาเลยยกมาที่ว่าเคยเห็นพิสุจที่ใช้จีวสีดาใช่ไหมไปต้องแบบประราชิตนะครับและตัวเองก็ไม่ชอบีหนา้าพิสุในรูปหนึ่งซึ่งใช้จีวสีกำเหมือนกันก็เลยอาศัยจีวสีกำเป็นข้ออาแล้วก็ไปเจออีกรูปหนึงที่เขาไม่ได้ต้องประราชิด แต่ว่าใช้สีจีวรเหมือนกันแต่ว่าเอาท่านท่านใส่จีวรสีกั๊นะท่านเป็นปราชิกแล้ววช่ไหมท่านจีวรสีกั๊ท่านเป็นปราชิกแล้วนะครับเอาสีจีวรที่มาแอบมาเลยครับอันนี้หรือว่าเรื่องมือจะเกยข้างหน้านะครับที่พระเมตติยภหมิมัศกาใช่ไห ม, เ, ม, เ, ววไหมเห็นแพ่มาเสร็จมีถุนกันแล้วก็ตั้งชื่อแพร่ร้านตรงนี้ชื่อพระผ้ามรหมุน <laughs> ตอนนี้ชื่อแม่ปียานะ แล้วก็อาศัยแพ้นะครับเรื่องของแพ้มันเป็นข้ออ้างแล้วก็บอกว่าเห็นปัตต า, ามที่วิมิตยานเสมีผลกันนะครับเดี๋ยวใสแพ้เข้ออ้างนีลักษณะนี้นะแพ้บาแพ้กอืับน่ะที่เหลือคือคล้ายๆกันนะครับเมื่อโจทย์เ็นอย่างนี้แล้วนะคนอรู้ความก็เป็นการดิเซตนะครับ จะถูกสอบสวนหรือไม่นั้นก็แล้วแต่นะครับแล้วก็อธิกรณนั่นมันมีส่วนน ะ, ะเป็นอย่างอื่นจากความจริง น, นะครับอธิกรณ์ในที่นี้เนี่ยไม่ได้ อ, าอาธิกรณสีเมื่อกี้นะครับหมายถึงเรื่องราวหรือว่าที่ตั้งของเลข น, นะก็คือตัวบุคคลก็ดีตัวสั่งคดีที่จะเอาเป็นข้าอ้านนะครับบุคคลนั้นจะมีชาติมีชื่อมีอะไรนี้นะตัววัตถุบุคคลหรือว่าสั่งนั่นแหละนะครับเรื่องวัตถกรอบทีนี้ ส่วนแท่หรือว่าแหลกก็คือเชือบางอย่างที่อยู่ในตรงนั้นนะครับของมุกของสิของนั้นนะเอามาอ้าแล้วก็มาโจยรูบก็เป็นมัลติสารีเซตเหมือนกันถึงจะแก้ตัวที่หลังก็ไม่ได้เอาพอูนจยไปแล้วก็ดมเดินครับทีนี้เรามาดูต้นบางอย่างนะครับคราวนี้าเรามาดูต้นบาอย่างน่นาจะเข้าใจชัดขึ้นเลยครับ <S <S นนอยู่ห น, น, น้าห้าร้อยสิบเจ็ด นี่ยังเยังตามลานีมุทัศนที่สองอย่าไปหายแคร์ลูกจะเจอครับ อ, อะไรครับอาจารย์ลูกจะเจอเดีอวกันกับพ่อไปอ๋อคนเดียวกานครับอาจารย์คร<อ>ับแม่จิยัางคุณมัศต่ครับแต่รู้สึกว่าข้างหน้าเราจะเจออีกข้อนนะสองลูกที่ยังตามราวีอยนครับในไปอีกก็มีครับแล้วก็มาตามารภภาวีท่าท่ามลหดอยู่นะครับ ขณะเรื่องพระแม่ยิ่งย่าภูมิศ ก, กดิ์โยสมัยนั้น ท, ท่านพระพาปุตตเจ้าประทับอยู่หน้าพระเวฬวันฐานอันเป็นสถานที่พระจักเพีรดิแห่งกแตเขตพระนครราชพิษครั้งนั้นพระแม่ยิ่งย่าป้าภูมิศกดิ์กำลังลงจากภูเขาพจชกูได้แลเห็นแพะผู้กับแพะเมียกําลังสมจองกัน<ม>ก็คือเสรษฐีถุนที่เราครั้งแ้่ได้พูดอย่างนี้ว่าอวุโสผีฉะนั้นพวกเราจะสมมุติแพะผู้นี้ เป็นพัฒภาบรรบุตร <c oughs> สมมุติแพรย์เมียนี้เป็นพิสมีเมติยาจาักการอย่างนี้ว่าอมุโสทั้งหลายครั้งก่อนพวกผมได้กาวหาพัฒภาบรรบุตรด้วยได้ยินแต่บัดนี้พวกผมได้เห็นพัฒภาบรรบุตรปฏิบัติผิดในพฤษณีเม่ติยาด้วยตนเองมีผมเห็นส า, านยานะเธอทั้งสองก็ได้สมมุติแพทยครูชื่อพัฒภาบรรบุตรแพทยเมียคือพฤษณีเมติยานะ และก็แจ้งที่สุดข้างหลานนะครับก็พู้อื่ที่คิดมัลลก์นีนะครับแจ้งมางเนี่ยได้เห็นเองทู่สุด้างหลายก็เลยกล่ า, ย า, อ, า, ล า, ยายอย่างนี้ว่าอาวุโสที่ั้งหลายจะได้กลาอย่างนี้ท่านราพรธาต้าวบรรุจะไม่ํากรรมเช่นกลามั น, นแล้วก็กลาวเหนือฟังหรือผ้าเจ้ า, ร า, าครับพรพรธวเป็นภาะหันตใช่หครับไม่ทาหรอไม่มีครับคเขายังตามนางนีข้าเจ้ นมากท่าระอก็ประชุมสงฆทรงสอบฐานนะครับแล้วก็ทรงสอบถา ม, ถา ม, าามาถพระท่าพระมรรุบนะรว่าดูกรทักทะทะยันเลิกได้หรือว่าเป็นผู้ทํากรรมอย่างทุบิสุเหล่านี้กล่าหาพระท่าพรมรุก็กล่าวถุนว่าถ้าแต่ พ, พะระองค์ผู้เจริญพระองค์ย่องทรงทราบว่าพระพุทธเจ้าเป็นฉันใดพระพองค์ก็ตัดฐานไปครั้งที่สองครั้งที่สามพระท่าพรมรุก็ตอบเหมือนเดิมนครับ ว่าพรงย่อมสง ส, สววารมากพรพุทธเจ้าเม็ฉันใดเพระอจ้างในต่างด้วยว่าดูก่อนทัพพระคนชราย่อมไม่แก้ข้อการหาาอย่งนถ้าเคยทําจงบอกว่าทำท่านเสร็จไม่ได้ทําจงบอกว่าไม่ได้ทำท่านบอกต่อว่าตั้งแต่ข้าพทเจ้าเกิดมาแม้โดยความฝันก็ยังไม่รู้จักเสร็จหนึ่งถึงทํา จะกล่าวใหญ่ถึงเมื่อตื่นหรือว่าพุทธเจ้าใเร็วไ้ว่าคนจะู้าใช่ช่นี่ว่าเขาปใช่ช่อันนี้เขามาใส่ละเองเลยเดวเอาแท่งเป็นข้ออ้าเนเก็แปอนี่เขาไปต้นบัติที่นีไม่เป็นหรอกต้นบรยัติพุทองค์ก็ลาสั่งพิสุททั้งหลายนะคบว่าดูกรอนพิสุททั้งหลายถ้าเช่นนั้นพวกเธอจงสอบสวนพิสุพวกนี้ แล้วสองแล้วพง ก, ก็ลุกจับพิภพเท้าเข้ากับเชต ว, วันและพี่ทั้งหลายก็สอบสวนพระเมตเจ้ามัมชากะนะครับจนได้ความนะสองลูปนั้นก็ได้ก็บอกก็ได้ความว่าเป็นยังไงนะเมื่อเธอทั้งสองถูกสอบสวนก็ได้แจ้งเรื่องนี้แก่ที่ทั้งที่ทั้งหลายเลยถามอาวุโสทั้งหลายก็พวกท่านเชือเอเอ ก, กเทศบางแห่งแห่งที่ก่อนเป็นเรื่องอื่นให้เป็นเพียงเร่ และการกำจัดท่าพระทามนระบุด้วยทามีโทษถึงประราชิกหรือข้าราชการว่จริงนะทัองหลายที่นผู้มั่งม่ถึนันโดดังว่าเพ่งเข่าดีเกียรติพุทธนาและก็กี้เลือสร้างสอสร้างรู้วงก็ไปชิสงสงสอบถามนะครับสงติเตียนถ้าไม่ได้กไม่ชกาแล้วก็มาอยากถามตัวนี้ขึ้นมาครับเนี่เป็นข้อเรื่องที่น่าสนใจมากคือเกี่ยรื่องแรกครับมาดูตรงแรกก็ได้ ข้างทางพิเนยจดมาเนี่ยอยู่หน้าห้าวันยี่สิบห้าเราจะมาในเรื่องเลขนี่นอยท่านบอกว่าที่ชื่อว่าเลขนะครับในคําว่าพิเอยประเทศบางแห่งล่างเป็นเพียงเลขนั้นอธิบายว่าเลขมีสิบอย่างนะครับไม่แก่เลขคือชาติหนึ่งเลขคือชาตินะครับสองเลขคือชื่อเลขชื่อหนึ่งสามเลขควง ก็คือวงตกลุ่นว่าโค่นนะของท่านจะเป็นโคนนะอะไรนะน จ, จัจเจย น, นะโค่นะโคสมาโคอะไรนี่ครับแล้วก็สี่แรกคือลักษณะครับลักษณะ ส, สูงต่ำดำขาวอ้วนผอม น, น, นี่นะครับห้าแรกคืออาบัตนะครับเอ า, อาบัตที่เขาต้องเป็นถึงเละ น, นะคือเขาไม่ได้ต้องถึงประราชิบหรอกแค่ต้องทันดิเศสนะแต่อาศัยว่าเขาต้องอาบัตนะครับก็เลยไปว่าเั็นประราชิก แรกคือบาทนะครับแรกคือจีวอนนะครับรคือจีวอนนี่ข้อเจ็ได้ใช่แรกคือประชานะครับแปแรกคืออาจารย์มีประชาเดยกันอาจารย์เดยกันหน้าต้นเมต้าแรกคือเสนนาศนะครับอธิบายแรกสิอย่างก็อธิบายสรุปข้าวนะครับข้อแรกครับแรกคื อ, คอชาติชาติก็ได้แก่วันหน้าสีนะกระสับกรายแค่สูงนะครับ อธิบายว่าพิสูพผู้โจทย์เป็นผู้ได้เห็นพิสูพผู้กษัตริย์ต้มแบบปาราชิตท่านเห็นพิสูพผู้กษัตริย์รูปอื่นโจทย์ว่าพิสูพผู้กระสับข้าพเจ้าได้เห็นท่านเป็นผู้ต้องปาราชิกธรรมท่านไม่เป็นสมณะท่านไม่เป็นเชวสาปรปัตจกยบุตรอุโบสถก็ดีโปรานก็ดีสังฆกรกรมก็ดีไม่มีร่วมกับท่านดังนี้ต้อบมัสธนิเศษทุกๆคำพูดอืาไงอาศัยในนี้นครับ ที่เหลือก็เหมือนกันนะอนาศัยได้เห็นพิสุผู้เป็นาพาม์แพทย์สูตรต้องปราชิกและก็เป็นโจรูปอื่นที่มีชาติมีวันหน้เหมือนกันอย่างนั้นนะครับแรกคือชื่อก็ไปเห็นพิสุที่ชื่อพุทธรักิตน่ะต้องปราชิตใช่ไหมแล้วก็เป็นโจพิสุพุทธรคิตอีกรูปหนึ่งที่ชื่อเหมือนกันว่าท่านพุทธคิกนีต น, นะข ป, ประจ้าได้เห็นท่านผต้องปราชิตธรรมเป็นต้องนะครับแรกคือวงนะครับ ก็ไปเห็นพิสูภูเกิดตระกูลองตระกูลเดียวกันนะองคตระกุณโคตมะองตคุณูลโมกคลานะเป็นต้นนะครับต้องอันบัตก็จะไปโจยรูปหนึ่งที่มีคดเหมือกันแรกคือลักษณะนี้ก็นะนะครับไปเห็นพิสูรนะครับที่เป็นตัวสูงๆนะต้องปราชีพและเห็นพิสูรรูปหนึ่งที่มีลูกหลางสูงใหญ่เหมือนกันก็เลยโจนะครับไม่ได้เห็นท่านต้องปราชีพกระทำเหมือนกันนะ สงต่ำดำขาวหมดเลยแรกอาบัตแรกอาบัตจะต่าเเขาหน่อยครับคือพิสุผู้โจดเป็นผู้ได้เห็นพิสุผู้ต้องละหุการบัตอาบัตเบาครับอเนื่อยนูเลยนะเห็นข้าต้องไปตีเนี่ยลงมาท่เหนื่อยแต่คายอาบัตนะครับสามคาชิเสร็จนี้ไม่เอาอาบัตเบาคุณไม่เห็น่านประราชิกนะครับถ้าโจดเธอด้วยปรราชิกกันทำว่าข้าพเจ้า แต่เห็นท่านผู้ต้องประาราชิธรรมท่านไม่เป็นสมณะไม่เป็นเชษามเศรษฐยาบุตรโปศกุลีโปนานุกฤษณกรรมก็ดีไม่มีรูมกับท่านนี้ต้องบัติคดิเสวทุกคำพูดนะครับเป็นข้อต้องปาะิตปีนุกฤษณ์ฟังใเสเศวก็นีนะาบาบานเป็นเหล็กแล้วก็ไปจดประาราชิบเลยนะครับแรกคือบา่าเห็นวิสูผู้ใช้บาเหล็กต้องเอาประาราชิก็ไปจยรูปหนึ่งที่ใช้บาเหล็กเหมืนกันเพราะว่าบาเหล็กบัปปีศาะนะครับ แรกคือจีวอาจารย์ครับมาเมื่อก่นครับและแรกคูประชาครับแรกคูประชาชนอาจารย์นะครัตรงนี้ก็คือพิสูจผู้โจกเป็นผู้ได้เห็นพิสูจผู้สัตย์หาฤกของผู้ประชาชนผู้มีชื่อนี้ครับหรือว่าเห็นพิสูจผู้ไปอันเทวาสิทธิ์นะก็คือเห็นนุ่งสิทธิ์ของประชาชนหรือว่าของอาจารย์คนเดียวกันครับและก็เป็นโจอีกรูปหนึ่ง ที่มีอุปรช า, าชอาจารย์คนเดียวกันว่าต้องประราชิชแล้วส่วนแรกคือเสนาสะนาส ะ, นสะนพิสุผู้โจย์เป็นผู้ได้เห็นพิสุผู้อยู่ในเสนาสะนะของข้าบดีผู้มีชื่อนี้ต้องประราชิชครับเอาไปเห็นนะครับอข้าบดีนี้เขาอาจจะสร้างมีถวายสงหลายหลังก็ได้นะแต่ไปเห็นรูปนี้ที่อยู่กุฏิของข้ามีคนนี้เป็นประราชิชก็ไปโจทยรูปหนึ่งที่อยู่กุฏิของข้าบดีเหมือนกันนะ ว่าท่านผู้อยู่ในชนะชนะของค้าพระพุทธมีชื่อนี้ข้าพระเจ้าได้เห็นท่านผู้ต้องประราชิตธรรมท่านไม่เป็นสมณนะไม่เป็นเชสษสามปัญญายบุตรวุฒิคดีโภนาคดีสังฆกรรมคดีไม่มีร่วมกับท่านดังนี้ต้องบังคัสถานดีเสร็จทุกคาพูดครับอันนี้ก็ได้นะอันนี้ก็ชัดเจนครับเหนือก็เหนี่ความประสมค์ก็ เ, เหมือนเดิมนะครับประสงใช้เข้าขึ้นจากผมรมเป็นตามนะต้องการให้เขา้าเสกออกไป ท่านใช้คำนวณดีนะให้เคลื่อนจากพิสุภาวะให้เคลื่อนจากสัมมาดธรรมให้เคลื่อนจากสินขันให้เคลื่อนจากคุณคุตตบัตนะครับเดครับอันนี้ก็มีอะไรต่อไปพิสุ่ติแ่พิสุขทางราชการเนี่ยสองรูปนะคสองรูปที่ไมิดแย่มนร คงสงสัยว่าเมติยาเป็นน้องสาของเมติยานเชน่าทายกันนะครับครับเมติยทีนี้กลับมาดูในกางขานะครับน้า80ข้ข้อนี้ก็สบายนะคงจะส่องแสงเยอะนะครับพยายาม <c oughs> เราจับเอา จ, จะฟางก็ได้นะครับมอนส่บงแสงนะครับท่านจาที่ฟังสัองแสงเยอะเลยเดี๋ยวเล่เี๋ยวเทศดียวที่กนะเราดู อธิบายอัญญพาคยะสิกขาบทนะครับอัญญพาคียะเพราะมีส่วนอื่นหมายถึงอธิกรเรื่องราวหรือบุคคลเรื่อนี้เป็นส่วนอื่นพึงทราบคำอธิบายสิกขาบทที่เก้าต่อไปคําว่าอัญญพาคียะสามเป็นต้นเรื่องนี้มีอยู่แก่ส่วนอื่นหรือส่วนอื่นมีอยู่แก่เรื่องนี้เหตุนั้นจึงเชื่อว่าอัญญพาคียก็แปลว่าเรื่องที่มีส่วนอื่นอธิกรณ์ที่นี้ก็หมายถึงที่ตั้ง อธิบายว่าที่เกิดที่อาศัยทีนี้นะไม่ใช่อาที่กองสี่นะครับเหมือนที่เกิดที่อาศัยอาจจะเป็นสั่ง์ก็ดีบุคคลก็ดีที่เขาอาศัยจนเละข้ออ้างจริงนะครับก็แพ้ที่พวกพิสูจนเม่ญาและภูมิชะกัดกาให้ชื่อว่าทัพมาลบรนะครับเนี่ยอันที่สองคนโจเนี่ยข้าใสยชื่อเป็นเลขใชครับอาศัยชื่อป็นข้ออ้างและชื่อแกก็ตั้งขึ้นมาเองนะ ตั้งโมเ ม, มนต์ไว้ทั้งหมดนะครับในเหตุเกิดของเรื่องย่อมมีส่วนคือฝักฝายอันได้แก่กําเนิดสัดติสถานและความเป็นแพะใช่ไหมครับแพ้ที่เราตั้งเชื่อจัพรมลบุตรับอยู่ในกําเนินดเบลฉานด้วยแล้วก็เป็นแพ้นะครับอันเป็นส่วนอื่นอันนี้ผมเสริมเข้ามาให้นะนะครับอันเป็นส่วนอื่นจากส่วนคือฝักฝายอันได้แก่ความเป็นมนุษย์ และความเป็นพิสูจของพัทธะมรรบุใช่ไหมครับคนะสว่วนเลยนะอาิกรอนก็คือแพนะครับเป็นคนะสว่วนคนละเรื่องกับพัทธาฟ้ามรรบุที่โดนจบครับเพราะท่านเป็นมนุษย์ด้วยแล้วก็เป็นภรพิสูจน์ด้วยนะครับในคนละสว่วนเลยอีกอย่างหนึ่งส่วนอื่นมีแก่แพนี้เพราะฉะนั้นแพนั้นนะย่อมได้การนับว่าเป็นสวดที่และต้องเห็นที่พิสูจเหล่านั้นกานอยู่ว่า พวกเราจะทําให้แค่นี้ชื่อว่าพระมรบุตรที่ตั้งอาศัยแห่งส่วนอื่นนั้นย่อมมีด้วยการตั้งชื่อนะครับก็ตั้งชื่อเสร็จเลยเพราะฉะนั้นจึงหมายถึงอธิกรณ์รจึงอยู่พึ่งพาะเจ้าทรงหมายอาธิกรนั้นอธิกรคือตัวสัตว์หรือบุคคลที่เป็นที่ตั้งของพระเล่จึงตรัสว่าทัสุดทั้งหลายทราบว่าพวกเธอ อ, ars, อ้าเอาบางส่วนของอาทิกรคือเรื่องอื่นเป็นแลขใส่ฟางพระภามรรบด้วยอามบัตปราชิตหรือคําว่าอาทิกรไม่ได้หมายถึงวิวาฒนาธิกรเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะทิกรที่นั้นหนึ่งมีสี่ใช่ไหมเมื่อธิกรก็เกี่อะไรครับการทะเลาะกันเรื่องธรรมนั้นมีไหนใช่ไหมครับงดยทิกรทะเลาะกันบ้างนี้เป็นธรรมนี้ไม่ใช่ธรรมนี้เป็นอินัยนี้ไม่ใช่วินัยเป็นต้องรั แล้วก็อนุวาทพิกรที่กรณ์คืการจมนะครับมีการโจมการกล่าท้ากันด้วยอาบัตเกิดขึ้นนะที่อนุวาทพิกรแล้วก็อานปตตาพิกรณ์นะครับมีการต้องอาบัตขึ้นแล้วกิจจารพิกรณ์ก็คือกิจสมยังต้องทำครับทางกรรมสี่อย่างนะในที่นี้ไม่ใช่พิกรณ์อย่างนั้นนะครับแต่ว่าพิกรณ์ก็หมายถึงเมื่อกี้หน้าตัวศัตรูค น, นอะไรอืม ถามว่าเขาเห็นไรตอบว่าเพราะอธิกรเหล่านั้นหนึ่งอธิกรสี่ชิว่าไม่มีในเรื่องตรงนี้เพราะว่าพิสูจเหล่านั้นคือพระเม่จีญาณและผมัจฉกะไม่ได้ถือเอาบางส่วนให้เป็นเพียงแรขบรรดาอธิกรสี่อย่างบางอย่างให้มีส่วนอื่นและชิว่าแรกเนี่ยอธิกรทั้งสีจะไม่มีเมื่อฐานอธิกรต้นไม่ไม่ไม่มีเลขไม่มีเลข เพรา ะ, ะนั้นไม่ได้อาศัยที่กองทีลว่าจริงอยู่แรกทั้งหลายมีแรกคือชาติเป็นต้นพุ่งพรคพาชาติตัไวสทหรับบุคคลเท่านั้นไม่ได้ตังไว้เพื่อที่กองมาาีมีวิวาหาที่กองเป็นต้นและที่ชื่อว่าทัาพพระมรบุตรนั้นเป็นบางส่วนของแพ้นั้นเป็นส่วนหนึ่งใช่ไหมครับก็คือเป็นชื่อในชื่อของแพ้ที่ต้องส ม, มุมขึ้นมานะ อของแพร่นั้นตัวตั้งอยู่ในความเป็นอธิกรณ์มีส่วนอื่นนะครับแต่อธิกรณ์เป็นเรื่องเงื่อนต่างอัตภาพบรรบุนะครับและเป็นเพียงเล่ในข้ออ้างเฉยเพื่อการกําจัดพระเถระด้วยอาบัติปาราชิตนะครับเนี่ยเราจะาสรุปอย่างความง่ายๆแค่นี้ก็ได้นะสองสามบรรทัด น, นี่แหละในนี้สรุปว่าอไอ้ที่มันจรินครับตั้งแต่คำว่าที่ชื่อว่า ชื่ที่ว่าจะพ่ามรบุตรนั้นเป็นบางส่วนของแพ่นนั้นตัวตั้งอยู่ในความแปรที่ก่อมีส่วนอื่และเป็นเพียงเล่เพื่อการกําจัดภัติณะโดยอปราชิ่สงสุดตัวนี้ง่ายๆก็นธรรมดาส่วนแรกๆนี้ส่วนที่ชื่อว่าเท่นเนยท่านจะอธิบายเท่แล้วก็อธิบายแหลแ่นะ เ, เพราะอัดเขาวิเคราะห์ว่าปรากฏถูกอ้างคือถูกเรียกว่าแพ่นี้นะครับ มีความสัมพันธ์กับส่วนอื่นนั้นคําว่าแท่นี้เป็นชื่อของส่วนใดส่วนหนึ่งในบรรดาชาติเป็นต้นคือแท่ก็ดีเรื่องก็ดีนะองค์ทั้ ง, อ, งอยู่ตัวเดียวกันก็คือแหล่เอย่างเมื่อกี้นะครับชาติชื่อค้อวงลักษณะเป็นต้นนะี้ะอันนี้เขาได้ชื่อว่าแท่ด้วยพราะมเป็นบางส่วนใช่ไหมมันเป็นส่วนหนึ่งของอจิกรนั้นนะครับแล้วก็ได้ชื่อว่าแหล่ ด, ด้วยพราะมเป็นข้ออา้างที่เรจะเอามา เทศตัดก็เขาบว่าส่วนไม่ถูกอ้างถึงนะอะชื่อว่าแหล่เลครับเพราะอาจจะมีข้อะว่าติดคือก่อไว้ซึ่งวัตถุอื่นติดอยู่เพียงเล็กน้อยโดยแต่เพียงโัวหารเท่านั้นคําว่าแหล่นี้เป็นชื่อของส่วนใดส่วนหนึ่งมีชาติเป็นต้นเหมือนกังครับก็เป็นข้ออ้าง น, นะครับที่อยู่ในสิ่งนั้นนะสิ่งกับสิ่งนะ เป็นชื่อบ้างเป็นชง่์ชาบ้างวงศตระกูลบ้ า, น า, น า, านงนะครับียก ว, ว่าเลขก็ในวาระจำแนกพึงบทนะครับก็ในมันก็ในวาระจำแนกบทเพื่งสร้างนิฉัยลำต่อไปนี้พิสูจน์อ้านเอาบางสว่วนแะต่บางส่วนก็คือเท่นะครับอ้านเอาบางสว่วนนะมีชื่อเป็นต้นนะแหะ่งอาชีพก็คือแพทย์หรือว่าบุคคลนะสว่วนอื่นใดให้เป็นเลขกําจัดด้วยอัมบัปปาราช เพรเหตุที่อธิกรณนั้นปากรกดแล้วเรื่องหน้าเหตุที่เกิดขึ้นนั่นเองฉะนั้นเมื่อพระเจ้าจึงไม่จำแนออีิ ก, นนกรณ์นั้นก็ไม่จำแนกนะก็ปากรือเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นแพหรือ ว, ว่าบุคคลก็แล้วแต่ครับอธิกรณเหล่านั้นที่เมื่อพระเจา้าตัดไว้เนื่องด้วยการยกเนื้อความขึ้นโดยสารมันว่าอาธิกรณข้อที่อธิกรณ์นั้นเป็นเรื่องอื่น และข้อที่อธิกรเหล่านั้นเป็นเรื่องนั้นยังไม่ปรากฏพราวินัยทอนจะต้องสร้างนะครับดังนั้นเพื่อจ ะ, สะแสดงอธิกรณ์นั้นและ ก, การโจทนะครับโดยความเป็นส่วนอื่นแห่งอาบัดในเวลาจบลงจึงกล่าวคว่าอั ญ, ญพายขิยสะทิรณะสนะครับต้องว่ากล่ว่านี่คืออะไรนะได้แก่นะครับมีความว่าส่วนอื่นแห่งอาบัตดหรือส่วนอื่นแห่ง อ, อ, อธิกรดัง น, นี้เป็นต้น กรถาว่าด้วยการมีฉัยที่เหนือเป็นเช่นเดียวกับการมีฉัยที่ได้กล่าวมาแล้วสิขาบทที่แปดเองที่เดียวก็เหมือนข้อแปที่อย่างนะครับส่วนความต่างกันมีดันงนี้อันนี้ก็เป็นคําสรุปอีกทีนันกสั้นนะครับเนี่ยตั้งแต่ น, นี้ไปนะว่าสิขาบทนี้มุณพระเจ้าทรงบัญญัติเพราะเรื่องคือการอ้านเอาบางส่วนแห่งเรื่องอื่ น, นให้เป็นเพียงเล่และกําจําด้วยอวบปัาชิต สุไม่ง่นะครับสองสามบรรทัดแค่นี้เองและในจิตคานบทนี้การจบด้วยส่วนอื่นแห่งอาบรบิ้นจุดสําคัญว่าเป็นอย่างนั้นไม่ต้องอารบาิ้นคือถ้าเข้าใจผิดนะว่ารูปนี้เน่ยไปเป็นประลาชื่นจริงนะครับข้าจะจําหน้าอะไรนะไม่ชัดเจนจะเข้าใจผิดนะครับอย่างนี้ก็ไม่เป็นมันยากในกรณีที่อะไรนะท่านไม่เห็นแหละท่านได้ยินนะว่ามีพิสุรธูกหนึ่งมาเล่าให้านฟัง ใ่ไหครับว่าที่สูตชื่อนี้นะธรรมราคีนะ่ะจะต้องประราชิกแลค่พอดีธรรมระคีมีหลายลูกท่านก็เลยทอดใจธรรมระคีลูกหนึ่งว่าต้องประราชิกใช่ไหมแล้วนั่นก็ไปโจรนี่ครับอนี้ก็ไม่เป็นนะถ้าเกิดนี้เป็นอันหนึ่งในองค์ทั้งหลายเพิ่มองค์คือการอ้างเอาบางส่วนแห่งอธิกรณ์ที่มีส่วนอื่นให้เป็นเพียงแรกเป็นอีกข้อหนึ่งแหล ะ, ะองค์ก็จึงมนข้อก่อนเมื่อกี้นั่นหมด แค่เพิ่มนี้เข้าไปแอบเอาบางส่วนแห่งอธิกรณ์ซึ่งมีส่วนตึงให้เป็นเเข้าไปจบการที่บางอญญาทางทียสึกาหมดเราค่อนข้างง่ายแต่ว่าจลงสนใจกครังงงแล้วมัน เทนเป็นเถิ่งเล่นได้ครอาจารย์ได้ครับคือเทนนี่ก็หมายถึงในบางส่วนบางส่วนที่มีอยู่ในตัวบุคคลหรตัวสัตว์นั้นครับก็ได้นะครับคืบ อ, อว่าหบอกว่าแ a n งเอาบางส่วนเออแ a n งเอาเทนนะครับพขแปลว่าบางส่วนได้ให้เป็นถิ่นเล่นค ร, ลรครับท่านท่านบอกว่าไอเทนเนี่ยเป็ตัอย่างที่ไห เพราแค่ก็คือไอสิทธอย่างมันกับเลขนนครับเหมือนกันนะครับครับจะเรียกว่าเทพก็ได้เรียกว่าเลขก็ได้ครับท<ม>ี่อบอกว่าเทพเพราะว่ามันเป็นบางส่วนของอภิตกกนะครับท<ม>ี่ว่าเลขเพราะาเอามาั น, ออานเป็นข้ออ้างเป็นวัวหาที่จะมาจบในเดียวกันพระองคทำข้อนี้ก็จบนะครับต่อไปนี่เขาอย่างเรื่องสังฆแพทย์โอ้ยไม่ใช่ธรรมดานะทีนี้ แต่สมัยนี้ไม่ค่อยจะเจอไม่มีนั่นใครกล้าทำหรอกโอ้โหนักนะอนันตเริยกรรมด้วยนครับขอกแล้วก็หมกไหนะแต่ก็คือต้องยากกันนะท่าจะว่ากต้องการนะที่จดม้อ่ย่าจะมไมครับ่าเช่นาอว่าลกแล้วก็ตีจะยื้อมาได้เลยค่ะปาแล้วก็ีบะยืมาได้ค อย่างอื่นที่มันอ่นะดีนะครับครับถแค่สิบปะอาสมัยเนี่ยูคขคมแล้วครับสมัยนี้นอ่ะเอาใช้มือถือรุ่นโนเกียอะไรอย่างี้ฮ่าฮ่าฮ่า่าาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา่่่่่่่ ผอสุขุพิภระจาระถ้ถ้าถ้าจะเป็นการสวดก็ขับพยัญชนะนะเอาอามืออนั่นนะคุณต้องทำหน้าที่ว่าเนี่ยพี่พี่ต้างทำหน้าที่คุณต้องทำห้าที่ว่ามันจะเข้ากับเลขสิอย่างพอด้วยครับเราจะพูดรเลขสิบอย่างถึงครับะไม่เข้าเลยครับ ชื่อวงลักษณะอาบักปีวอนอุปชฌา์อาจารย์นอครับไม่เข้าไม่เขไม่เข้าเลยครับผมว่าลืมตอบกันี้เพะไปถามอาจารย์อาจาย์าตอบไม่ไม่จาไม่ได้หรือว่าอจารแค่เสร็จมีแหละได้กลมหรือแคส็จแต่ว่างพอที่เคยพักท่เดินางหาถาม อนี่เข้าลักณบ้านครับครับลัะวครับตาับขาวครับนีอมือถือนี่เีย่อมือถือแบเบลือครับเคนน เดินไปค้นดูอีกทีนะคนั้นในในีนนคือใถามะครับถามแล้วจดจอะไรแล้วก็ไปดูอทีต่อปังนะครับต้เรื่อนสกัดเทพ บ, บ, บางคนเขาสงสยัยน้ที่ราชกาที่สี่ใช่ไหมครับที่แบ่งต้นกายนะมีธรรมยุทมหานุกานะครับ อันนั้นไม่ได้เป็นการทำาัพทเภศนะไม่เป็นแต่ว่าต้องการษ า, ายที่เข่งขัดใช่หคหรับเหลืออยู่นสมัยก่อนแต่นี้ถ้าเป็นสัพท์เพศนยหมายควาว่าทำสงนะครับให้แยกการทอุโบสถในสีมารดีกันนั่นเละครับอยู่สีมารดีกันเข้าไปในโบสถ์อาจรแต่ว่าไม่ทำสังกรรมรูปกรรครับต่างคนตา่างสูตรต่างว่า แยกกันอยู่ระหว่างขบากกันเลยนั่นแล้วก็ทำาเองกันเราขนาดนั้นเลยนะเป่่าีเนี่ยใครคนวิ่งใับชมเลครับอ๋อเสงสัยเฉยๆนะจ๊ะเขาแมีสงสัยแาวันนั้นพีวิ่งใช้ออกมานี่ยเขาจะมาเที่รอทาอะไรครับพี่อะไรแบ่งนการเนี่ย ทมันนี้ก็มหาวิการเขาลอเป็นคนแม่นะใช่สองพหนวดใช่ไหมก้างกางนะกางก้างขึ้นมาเขาแ่ผก็ร่างเกียร์ร่เกียราเียร่วมัชมน้บมเอแต่ว่าไม่ได้ทกรรมแยกกครับมันก็แบบสงสองตาเลยนะแล้วแยกทากรรมในสีมาด้กันแล้วสกรรมาวการนี้ไม่มีแถวบาอย่างเดียว เทราบ้างก็ยังไม่มีก็มีสาวมุขตนต้าครับเป็นพ้อสมณะเนะชื้อสายสัจจยยมุรเหมือนกันต่อมาพอเริ่มสังคายนาแล้วใช่ไหมครับเราก็หยวกมะล้ีลลนน่ีเถราสาีตาลนักปักถุลามหป็นพ่อมห า, าป็น ต, ต้นะราตตามต้นแบบตัวอย่างเลยแล้วก็แ บ, บ่งเป็นมหายายใช่ไหมนแล้วก็ค่อยแต่ไปถ้าเียนรแจวามได้หน่อยไม่ได้หามาไปยิ <c oughs> ที่เขาใจว่าถ้าเป็นสมัยก่อนที่เริ่มตั้งใหม่หมคงจะแข่งขันอันนี้นะครับแต่พอมาสมัยที่หลังเนี่ยค่อยๆนั่นเอง